ความสำคัญขอ ง, ของวิช า, <อ>ชาธรรมกายพระองค์คนเทพมุดีหลวงปู่สดจอนทัสโรเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันนั้นเป็นวันขึ้นส5บห้าคเดือนสิบพุทธศักราช2460ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2460โดยเรียกวันนี้ว่า วันธรรมกายหลวงปู่สดท่านได้ตั้งสัจจาทิฏฐานแน่นอนลงไปว่าถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องการเป็นอันไม่ลุกจากที่นี้จนหมดชีวิตเมื่อตั้งจิตมัดลงไปแล้วก็เริ่มปรารานั่งจึกได้แสดงความอ้อนวลนแต่พระพุทธเจ้าว่า ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรโดข้าพระรุเจ้ารทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดแลงง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแด่ข้าพระรุเจ้าถ้าข้าพระรุเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาแล้วขอพระองค์ได้ทรงกรุณา โปรดพระราชทานแด่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับเป็นทนายศาสนาของพระองค์จนตลอดชีวิตรักร่างพอสัางร้ายรอดตนยอดเยี่ยมธรรมกายผลหมุนองแท้วเลอเลิศรลวมสุลใดอื่นเจิญท่านถือเอาแก้วกล่องล่าเรืองสกุล เป็นคติธรรมคำสอนของหลวงปู่วัดตากน้ำการที่จะกระทาตนให้พ้นจากวัตสงสารนี้ที่มีทุกโศกโรคภัยเป็นที่ตั้งนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเป็นธรรมกายเพราะผลแห่งธรรมกายนั้นให้ผลประเสริฐยอดเยี่ยมให้แก่ผู้ปฏิบัติเป็นยอดแห่งกุศลทั้งปวงไม่มีกุศลใดอื่นทเทียบทเทียมได้เลย สามารถส่งผลให้ท่านผู้ปฏิบัติค้นจากอันหน้าแห่งวัฏจัรสงสารนี้ท่านทั้งหลายควรถือเอาแก้วแห่งกุศลนี้เป็นประทีปฉายแสงซองสว่างนำทางแห่งการหลุดพ้นให้สว่างสวัยทั่วพื้นปฐพีและอนันตจักรวานขุดบ่อล่อทาราให้อุตสาห์ขุดร่ำไปขุดตื้นๆน้ำบ่อมี พูดถึ ง, ถงที่ทน้าจึ ง, งไหลความอดทนนั้นติดอยู่กับขอบพระนิพพานในการทำความเพียรในการทำนิชาหรือการปฏิบัติให้ได้เห็นพระธรรมกายนั้นต้องตั้งใจฝึกต้องบากบัน่นต้องมีมานะอดทนหลวงปู่ท่านเองถึงกับต้องสละชีวิตถึงได้เห็นธรรมกายท่านให้คติธรรมว่าการทำความเพียร น, นั้น เหมือนกับการขุดบ่อเพื่อจะหาน้ําใช้หาขุดกันแต่ผิวดินขุดตื้นๆก็ไม่ถึงตาน้ําเมื่อไม่ถึงตาน้ําเราก็จะไม่ได้น้ําใช้ท่านให้ขุดลึกๆถึงจะเจอตาน้ําขุดตื้นๆคือความเพียร น, น้อยไปให้ขุดลึกๆให้ทําความเพียรให้มากเข้าไว้ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง หลวงปู่ท่านอธิบายว่าในการทำความเพียร น, นั้นจะต้องไม่ให้มีเรื่องกังวลใจให้เอาใจนึกถึงดวงนิมิตในท้องเราอย่างเดียวแล้วบริกรรมภาวานาวา่าสัมมาสัมมาสัมมาเรื่อยไป เห็นใจรือปาดแมนธรรมกายจำสนิทนิมิตหมายมั่นแท้คิดทำเถิดเถินชายชูช่วยตนแท้รู้ยิ่งเป็นจะขันแท้แต่งนวนอนิจังในการบําเพ็ญภาวนาความเพียรเป็นข้อสำคัญยิ่งต้องทำเสมอทำดึงเนืองในทุกอิริยาบถ ไม่ว่านั่งนอนเดินยืนและทำเรื่อยไปอย่าหยุดอย่าละอย่าท้อทิ้งอย่าท้อแท้มุ่งรุดหน้าเรื่อยไปผลจะเกิดวันหนึ่งไม่ต้องสงสัยผลเกิดอย่างไรท่านรู้ได้ด้วยตัวของท่านเองวิธีการฝึกที่สำคัญคือต้องจำกัดอารมณ์ที่สำคัญก่อนท่านให้เอาใจตจดจ่อแต่เรื่อง ใจหยุดใจนิ่งเพียงสถานเดียวเท่านั้นเพราะหากใจของเรายังรับอารมณ์อื่นๆอยู่เช่นคิดเรื่องงานคิดเรื่องครอบครัวต่างๆอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์ยังไม่เป็นหนึง่งยังฟุ้งซ่านโอกาสที่จะทำให้เป็นทำให้เกิดดูจยากในช่วงเวลาช่วงพงแห่งการปฏิบัติและการามวิชาจงกำหนดสภาพใจให้บริสุทธิ์ เป็นเด็กน้อยใจเด็กน้อยเป็นใจซึ่งไม่ต้องการเหตุผลใดๆทั้งสิ้นให้ฟังตามคาครูเชื่อและทําตามแบดบริสุทธิ์ที่พร้อมที่จะบรรจุวิชาความรู้ให้สลัดเรื่องต่างๆทั้งความรู้ที่เคยอ่านเคยได้ฟังเคยได้ยินออกจากใจอย่าได้นำสิ่งเหล่านี้มาคิดปัญญาที่ต้องคิดจิตปรุงแต่งเป็นปัญญาทางโลก ส่วนปัญญาที่เกิดจากการหยุดการนิ่งภายในคือปัญญาที่แท้จริงเรียกว่าภาวนามยัปัญญาจงทำตามคำโบราณที่ว่าอย่ายินดีอย่าอยากรู้อย่าอยากเห็นอย่าอยากเป็นอย่าอยากได้เกินหน้าที่ตามคำสอนให้หยุดจิตตล่อมจิตไม่สั่นคลอนจงทำตามคำสอนเท่านั้นพอ ต้องให้หยุดให้มากที่สุดเท่าที่บังคับให้หยุดได้หยุดให้มากที่สุดก็เจริญที่สุดหยุดต้องมีกลเม็ดหยุดดับยาไปหาละเอียดกล้ามไปไม่ใช่หยุดแล้วไม่ทำอะไรทำหยุดในหยุดนั้นและหนักขึ้นทุกทีไม่มีเวลาหย่อนจึงจจกเจริญถึงที่สุดเร็วธรรมกายเป็นกายที่ห้านั้นเป็นกายที่สาคัญที่สุดในพุทธศาสนา ผู้ใดทำกายนี้ให้เป็นขึ้นได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าอนุพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กล่ำจะเกิดมาทำอะไรไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่หอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย เลิกหยากลายอยอกรีบออกจากการเดินตามขันสามเรืยไปเศษกิจสิบหกไม่ตกกันดานเรียกนิพพานก็ได้จากหลักฐานในพระธรรมเทศนาพอจะคำนวณช่วงเวลาที่หลวงปู่เริ่มทำวิชาได้ดังนี้ในเทศนาเรื่องขันธปริศท่านบอกว่ารลางเดือนแปดครบ23ยี่สิบสามปีเต็มเดือนเต็มวันทีเดียว วันเข้าพรรษาคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันต่อจากวันอาสาฬหบูชาซึ่งคือวันที่สิบห้าค่ำเดือน8การนับเดือนนั้นจะเริ่มจากขึ้นหนึ่งค่ำไปจนถึงแรม14 15ี่สิบห้าค่จึงหมดเดือนกลางเดือน8ที่หลวงปู่พูดถึงจึงเป็นวันเข้าพรรษาถ้าคิดว่ากลางเดือน8คือวันเข้าพรรษาวันนั้นก็จะ ก็จะเป็นวันเริ่มทํามวิชาของหลวงปู่วัดปนากน้ำในเทศนาเรื่องมหาสติปัตตานสูตรท่านบอกว่า23ปีออกพรรษานี้ก็สามเดือนเต็มแล้วซึ่งก็คือวันเข้าพรรษาเป็นวันที่หลวงปู่เริ่มทํามวิชาเพราะเข้าพรรษาเริ่มแรมหนึ่งข้ามเดือน8และออกพรรษาเมื่อแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบอ รวมระยะเวลาสามเดือนเต็มจึงพอจะคำนวณได้ว่าวันพ่อพรนสาของปีพศ2474ซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคมพศ2474 เ, เป็นวันที่หลวงปู่วัดปากน้ำประกาศศึกเริ่มทาวิชาวันที่เริ่มทาวิชาเป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันที่หลวงปู่วะัดตาะน้ำเริ่มรวมทีมสู้อย่างจริงจัง ซึ่งจะแบ่งผู้ทาวิชาเป็นสองัดขัดละหกชั่วโมงนั่งสมาธิติดต่อกันหชั่วโมงพักหกชั่วโมงแล้วมันนั่งอีกหกชั่วโมงพักหกชั่วโมงอย่างนี้เหมือนการทำงานเป็นกะของโรงงานท่านจึงเรียกว่าโรงงานทำวิชาปฏิบัติงานทางจิตนี้ย4สสี่ชั่วโมงไม่ได้หยุดกันเลยดังนั้นในการทำวิชาเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากเช่นนี้ ผู้ที่สนับสนุนและสร้างเหตุให้สิ่งที่ยากและสิ่งที่สำคัญสูงสุดบังเกิดขึ้นได้ง่ายนั้นก็จะได้รับอนิสงค์คือเราจะได้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนาได้อย่างง่ายๆการที่พวกเรามาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้และรวมกลุ่มมาทำวิชาแม้แต่ปูตัวเดียวหรือไม่สับแผ่นก็ได้บุญเทียบได้กับฝนตกมาทั่วจักรวาล เพราะพวกเรามาช่วยกันทำงานถวายต้นท่าต้นธรรมดังนั้นการให้การสนับสนุนการังเกิดขึ้นของการทำวิชาก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะได้บุญที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองขนาดไหนเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างเหตุให้ตัวเราหลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วยังมีเจตนาบริสุทธิ์ที่กว้างใหญ่ปรารถนาให้สรรพสัตว์และมวลมนุษย์ทั้งหมด หุดพ้นจากกองทุกนั้นด้วยซึ่งก็คือวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญที่สุดที่เรายองยืนมาจนกระทั่งทุกวันนี้ในขนทางการสร้างกรมีไปถึงที่สุดแห่งธรรม